พูดเรื่องกายวิเวกนะคือความสงบของสิ่งแวดล้อมภายนอกกายวิเวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะีขณะที่เรามาอยู่ป่าก็ยังมีเสียงดังเสียงหมาเห่าเสียงหมากัดกันตั้งแต่เช้าเลย อันนั้นธรรมดาถ้าเราส่งจิตออกนอกนะเราก็ทุกข์แต่เรากลับมาดูใจของเรานะเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจั้ย ถ้าเราเห็นมันก็จะวางได้แต่ถ้าไม่เห็นเราส่งจิตออกนอกแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดนะแล้วก็ลาคาญมากขึ้นไอ้ความสงบในจิตใจก็หายไปทันทีตั้งแต่เช้านะทั้งๆ ท, ที่อุตส่าห์มาทําวัดแต่ใจไม่สงบนะอั น, นี้พอส่งจิตออกนอกหรือว่าวางจิตไว้ไม่เป็น ไม่กลับมาดูใจของตัวไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีสติเมื่อหลายวันก่อนมีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาที่ศาลาน้ำเขาไม่เคยมาวัดป่าสุกโตหลังจากที่แนะนําตัวกันเล็กน้อยเขาก็ มีผู้ชายคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าขอให้พระอาจารย์แสดงธรรมให้ฟังหน่อยอเดียวนี่มีแบบนี้เยอะนะคือรู้จักกันไปเดียวเดียวนะก็บอกว่าขอให้แสดงธรรมให้ฟังที่จริงความอยากฟังธรรมก็ดีนะดีกว่ามาขอเบอร์ขอหวยแต่ว่า อยากฟังธรรมย่างได้ไม่พอนะต้องรู้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรด้วยหลายคนมาโดยที่ไม่รู้ว่าอยากรู้อะไรคือไม่ได้เตรียมมานั่นเองนะอย่างนี้หรือว่าไม่ได้ทํากันบ้านนะถ้าจะมาฟังธรรมก็ต้องคิดก่อนนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไร เรามีปัญหาตรงไหนเรามีความกข้าขงใจตรงไหนถ้าทํากันบ้านมาก่อนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นจากการฟังทำเพราะว่าอาตมาก็เพิ่งรู้จักกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอาชีพอะไรยังไม่รู้เลยเราจะแสดงธรรมให้ตรงกับ ความต้องการของเขาให้ตรงกับปัญหาของเขาให้ตรงกับบริบทของเขาได้อย่างไรเนดะีย๋ยวนี้ก็มีแบบนี้เยอะคือมองว่าพราะนี่เป็นเหมือนกับเทปธรรมะนะกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะก็เราไม่รู้จักกันเราจะพูดให้เป็นประโยชน์นะถูกกับปัญหาขเขาได้อย่างไรนะ เถ้าเคยรู้จักมาก่อนนี่เราก็บางทีไม่ต้องไม่ต้องนิ่ ม, มนนะ่ะก็อาจจะพูดแนะได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยจิดอ่อนของคนไทยคือว่าไม่รู้จักถามตั้งคําถามไม่เป็นฟังธรมหรือว่าฟังคําบรรยายของครูบาอาจารย์ไม่ว่าในศาลาหรือในห้องเรียนก็ไม่มีคําถาม ขนาดฟังเป็นชั่วโมงแล้วคำถามก็ไม่มีถ้าผิดกับคนฝรั่งนีน่ก็จะมีคำถามตามมาหลังจากได้ฟังคำบรรยายเพราะว่าเขาคิดไปด้วยการรู้จักตั้งคำถามนี้ก็เป็นเป็นลักษณะหนึ่งของผู้มีปัญญาหรือผู้ที่จะเป็นนักปราชญา คนไทยเราสมัยก่อนคงได้ยินคำว่าสุตรจิตปุรีเดี๋ยวนี้นักเรียนสมัยนี้ไม่อาจจะไม่ได้ยินนะสุจิตปุรีนี่เป็นหัวใจของนักปราชญนาะหรือของผู้มีปัญญาสุ ก, ก็คือสุดตะฟังต้องเป็นผู้ได้ฟังมากภารุสัจจัญจะการเป็นผู้ดีได้ฟังมากพารุโสนี่เป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งแล้วก็ต้องฟังให้ถูกด้วยนะถ้าฟังจาก ป่าประมิดหรือฟังจากแหล่งที่มันไม่ถูกต้องให้ข้อมูลผิดพลาด น, นี่ก็กลายเป็นคนโง่ได้การฟังจากผู้มีปัญญาหรือสัตบุรุษนี่ก็เป็นบันไดขั้นแรกจีก็คือจินตะคือคิดใคร่กรวนฟังแล้วก็พิจารณาตามเสร็จแล้วก็มีปุก็คือปุจฉาถาม ลข ก, ก็คือลิขิตเขียนบันทึกเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากเนี่ยข้อนี้สอบตกหมดเลยนะคือฟังอ่านเนี่ยก็ไม่มีหรือฟังก็ฟังเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อยากจะรู้เรื่องดารานะหูพึงเลยเรื่องเจนนีน่แต่ว่าเรื่องมีสาระนี่ไม่สนใจถ้าเรื่องดาราเนี่ยเลขเข้าหาฟังอย่างใกล้ชิดจีกา ฟังแล้วไม่คิดฟังเรื่องดาราแล้วคิดก็มันก็ได้ประโยชน์นะไม่เห็นว่ามันเป็นโลกมายานะรักกันประเดียวประดาเดี๋ยวก็ทิ้งความรักก็ไม่แน่นอนสิ่งที่เรียกว่าเตียงหักก็เกิดขึ้นเป็นประจำปุชาก็ไม่มีถามไม่เป็นไม่รู้จะถามอะไรหรือว่าถามผิดที่นะตอนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่มีคําถาม แต่เวลาเดินจงกรมนี่มีคำถามเพียบเลยเกิดวิจิกิจชาขึ้นมาเอ๊ะเราปฏิบัติ ด, ดีไหมเนี่ยนี่เราทําถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่ขัดขวางการปฏิบัติคือมีคําถามหรือมีความสงสัยผิดที่เอ้เวลาปฏิบัติเนี่ยควรจะวางความคําถามทั้งปวงลงซะก่อนอยู่กับปัจจุบันตอนฟังครูบาอาจารย์ไม่มีคําถาม แต่พอปฏิบัตินี่ปล่อยให้คำถามนี่มันมาเล่นงานจิตใจจนกระทั่งท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติแล้วมันมีแต่คำถามมันมีแต่ความสงสัย อ, อันนี้ไม่ฉลาดควรถามเมื่อถึงเวลาหรือว่าเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกต้องลิกคิดก็การบันทึกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ครา้นี้เนี่ยย้อนกลับมาที่โยมกลุ่มนั้นนะเขาขอให้แสดงธรรมธรรมก็บอกว่าให้ถามดีกว่านะจะได้พูดได้ตรงกับความสนใจก็มีโยมคนหนึ่งหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋าคงเขียนไว้นานแล้วนะข้อความนั้นเท่าที่จได้นะ ก็คือว่าทุกที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะทุกโพรเพราะโง่เมื่อผัสสะทุกเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเข้าใจผัสสะนะฟังอย่างนี้ก็พอเดาได้ว่านี่เป็นคำของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ตอบว่าใช่ก็จดมันจากหนังสือเล่มหนึ่ง เขไม่เข้าใจไม่เข้าใจตั้งแต่คําว่าผัสสะนะก็เลยอธิบายเขาฟังนะผัสสะนี่ก็มันเป็นทั้งคํานามก็ได้กิริยาก็ได้หมายถึงการกระทบหรือกระทบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อตากระทบพูกหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะหรือว่า ใจมันคิดนะภาษานี้ก็ตัวการคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติเนี่ยเวลาเกิดภาษาขึ้นมาแล้วเกิดความทุกเนี่ยนะเรามักจะไปโทษสิ่งนอกตัวเช่นไปโทษเสียงเสียงหมาเห่าเนี่ย แล้วก็โทษวันเนี่ยมันทำให้เราทุกข์หรือว่าละหรือว่าเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอพูดเสียงแข็งกับเรานะเราทุกข์ก็ไปโทษว่าเป็นเพราะเสียงเหล่านั้นนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาหรือว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสียง ไม่ไม่ได้อยู่ที่การกระทบนะใจอยู่ที่ใจนะซึ่งท้าอาจารย์ก็ใช้คำว่าโง่นะหรือว่าเห็นผิดนะคือเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยทุกยังไม่เกิดนะมันเกิดเมื่อใจเราปรุงแต่งเช่นเสียงาเห่าเนี่ยเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ย ความทุกยังไม่เกิดนะแต่ว่าพอใจเราคิดขึ้นมาว่าทำไมมาเห่ากันตอนนี้นะมาเห่าตอนที่ฉันกำลังฟังธรรมมันไม่น่าเห่าเลยเดีนะ๋ยวว่าแต่เสียงหมาจึงดังเลยนะแม้กระทั่งเสียงลิงโทนเสียงโทรศัพท์เพราะๆนะดังขึ้นกลางศาลาเนี้ย หลายคนก็จะไม่พอใจก็จะหงุดหงิดละถ้าน้อยยี่เสียงก็เพรอะนะแต่ทำไมพอได้ยินแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงมากระทบหูความทุกข์ยังไม่ได้เกิดตอนผัดสะหรือมีผัดสะแต่เพราะแต่มันเกิดเพราะหลังจากที่เราได้คิดขึ้นมาในใจว่า โทรสั์ใครทําไมไม่ปิดทำไมมาไปให้ดังตอนนี้ฉันกําลังฟังธรรมไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมากับเสียงนะพอไม่พอใจแล้วเป็นไงถ้าเสียงยังดังอยู่ก็ทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเสียงอย่างแท้จริงนะแต่ทุกข์เพราะการปรุงแต่งนะถ้าเสียงโทรศัพท์นั้น ไปดังที่อื่นเวลาอื่นเราอาจจะชอบก็ได้เช่นกําลังรอเพื่อ น, แ ล, อนอ แ, ลอแล้วเพื่อนไม่มารอแล้วรอเล่าเพื่อนไม่มาสักทีเพื่อนไปไหนนะ้าพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนี่เราดีใจรีบคว้าเลยเพราะเชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ของเพื่อนเสียงเดียวกันแต่ทำไม เราทุกข์เมื่อมันดังในเวลาหนึ่งแต่เราดีใจเมื่อดังในเวลาหนึ่งก็เพราะการปรุงแต่งของใจนะการปรุงแต่งนี่เป็นคําที่กว้างนะเช่นเวลาเราคิดว่ามันไม่ควรดังเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งนะคําว่าควรคําว่าไม่ควรนะก็ทําให้เราทุกข์ได้ขับรถอยู่ พอถึงสี่แยกเห็นไฟแดงให้ตอนที่ตาเห็นไฟแดงนี่ไม่ทุกนะแต่ว่าที่มันทุ ก, ก็เพราะว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะแดงหรือเราไม่อยากให้มันแดงเราเป็นคนขับรถเราอยากจะไปให้ถึงเร็วๆ พอเจอไฟแดงเราทุกเลยหงุดหงิดแต่ถ้าเราเป็นคนข้ามถ น, นนนะเราชอบนะเพราะว่ารถจะได้หยุดเราจะได้ข้ามนะเห็นไฟแดงเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่ชอบคนนึงทุกอีกคนหนึ่งดีใจนะเพราะการปรุงแต่งในใจเช่นความคาดหวังมีความคาดหวังว่าฉันหรือมีความอยากว่าฉันอยากจะรีบไปถึงเร็วๆ เจอไฟแดงเลยไปถึงช้าอีกคนหนึ่งฉันอยากไปถึงเร็วๆเจอไฟแดงดีฉันจะได้รีบข้ามถนน น, นนี่มันเป็นเรื่องของความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจนะซึ่งเป็นตัวการทำให้ทุกข์หรือสุขไดนะ้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเกิดผัสสะแต่ว่ามันเป็นทุกข์หลังจากนั้นแล้ว เวลาเร า, เานั่งอยู่ที่ศาลาถ้าเกิดมีใครคนหนึ่ง mm. เช่นฝรั่งก็ได้ยื่นขามาที่พระพุทธรูปเนี่ยพอเห็นปุ๊บนะ้าตากระทบูกนี่เป็นไงไม่ชอบไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าขอไม่เราคิดขึ้นมาว่าเขาไม่ควรที่จะยื่นขามาที่พระพุทธรูปไม่สุภาพ ความคิดว่าไม่สุภาพไม่มีมารยาท์นี่ก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งหรือการตีค่านะการตีค่าให้ค่าว่าทำอย่างนี้ดีทาอย่างนี้ไม่ดีอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความชอบความชางังความดีใจความไม่พอใจหรือความเสียใจหรือความกโกรธ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ค่าว่าการยื่นขามาที่พระทรูปเนี่ยเป็นมารยาทสามพอเห็นอย่างนี้เข้าทุกเลยโมโหเลยเราไม่ได้ทุกเพราะตาเห็นรูปนะแต่ทุกเพราะมันมีความปรุงแต่งมีการปรุมแต่งว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีหรือว่าเดินไปบนถนนเห็นก้อนขี้หมาทุกเลยแต่ถ้าเราเห็น เงินเรากลับดีใจนะเพราะอะเพราะว่าเราให้ค่าว่าหรือเราตีค่าว่าขี่มานี้สกรปรกเหม็นไม่งามนะแต่พอเห็นทนบัตรนี่เราตีค่ามันเป็นของดนะีหรือว่าเห็นเพชรเห็นทองตกอยู่เราตีค่ามันเป็นของดีของสวยของงามเห็นแล้วมีความสุข ยิ่งคิดว่ามันจะเป็นของเราก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ในเวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนั้นยังไม่ยังไม่ใช่ตัวการอย่างทุกนะทุกยังไม่ได้เกิดตอนนั้นแต่ทุกเกิดหลังจากนั้นเมื่อใจปรุงแต่งปรุงแต่งคือคิดนะว่าหรือให้ค่าตีค่าว่าดีไม่ดีควรไม่ควร แม้กระทั่งอันนี้ลวมไปถึงการปรุงแต่งตัวตนตัวกูขึ้นมาด้วยนะการปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเวลาปวดเวลาเมือ่อยมันปวดเมื่อยที่ขาก็จริงนะปวดเมื่อยที่หลังก็จริงนะแต่ว่าพอ รับรู้ความปวดเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาว่ากูปวดกูปวดกูเมื่อยกูเมื่อยอันนี้ทําให้ทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทันทีที่แรกทุกข์เกิดที่กายนะแต่ถ้าไม่ปรุงตัวกูมาเป็นผู้เจ็บผู้ปวดนี่นะมันก็ไม่มีความทุกข์ใจนะและทุกข์ใจนี่มันหนักกว่าทุกข์กาย เวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ากําลังเล่นไพ่เนี่ยนะเพลินอยู่กับไพ่เนี่ยให้ความปวดเมื่อยที่เท้าที่ขานี้ไม่เดือดร้อนไม่รบกวนเลยนะหรือเวาลานั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับแฟนปวดเมื่ อ, อยยางไรไม่มีความหมายเลยนะเพราใจมันไม่ไปรับรู้ แต่ว่าถ้าเกิดกําลังนั่งฟังธรรมเนี่ยพอขาปวดขามเมื่อนี่มันปรุงตโตขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อทันทีเลยให้การปรุงแต่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรนะก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีสตินะถ้าเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนะไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่ทุกนะ แต่พอปรุงแต่งเช่นให้ค่าตีค่าว่าดีไม่ดีหรือว่าลึกไปก่อนนั้นคือปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้แหละทุกทันทีเวลามีคนมาต่อว่าตำหนิหรือนินทานะที่เราทุกข์เพราะอะไรนะไม่ใช่ทุกข์เพราะได้ยินคําตำหนินะแต่ทุกเมื่อ เกิดความสําคัญมั่หมายว่าเขาด่ากูเขาว่ากนะูถ้าเขาว่าคนอื่นเขาตำหนิคนอื่นเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกขนะ์แต่พอเกิดความสําคัญมั่หมายขึ้นว่าเขาว่ากูโมโหทันทีเลยไอ้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันปรุงตัวกูขึ้นมามีตาไปรับการกระทบนะ ไม่ใช่แค่เสียงกระทบหูเท่านั้นนะแต่ปรุงตัวตนให้เสียงมากระทบตัวกูด้วยก็เลยทุกข์เข้าไปใหญ่โกรธโมโหไอการที่ปรุงตัวกูขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะไม่มีสติถ้าจำพุทธาถึงใช้คําว่าโง่เมื่อภาษาเพราะว่ามันเป็นความหลงอย่างหนึ่ง นะมันเป็นความหลงและพอปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ทีถ้าเราเข้าใจงี้เนี่ยก็ต้องฉลาดนะในการมีผัสสะก็คือว่าเมื่อตากระทบลูกหูดินเสียงเนี่ยให้มีสติให้มีสตินะส ต, ตาเห็นลูกหูดินเสียงถ้ามีสติมันก็ไม่ปรุงนะ การปรุงเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอเมื่อเราลืมตัว เ, เมื่อศักแต่ว่าเมื่อเห็นศักแต่ว่าเห็นนะไม่ไม่มีการปรุงตัวกูกขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เกิดนะสเตติ้งสำคัญมากหรือว่าไม่ปรุงว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีรับรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆ ปกติเราไม่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นนะเราจะมีการตีค่าให้ค่าตลอดเวลาอาหารอย่างนี้ดีอาหารอย่างนี้อร่อยแม้แต่อาหารมื้อเดียวกันถ้ากินคนละที่ก็สามารถสร้างความทุกข์เราได้เราไปกินอาหารร้านหาเปลยแผงลอย จานละสาสิบาทสี่ิบาทเอออร่อยนะแต่อาหารจานเดียวกันถ้าเราไปกินที่พัตาคารหรือโรงแรมอย่างโอเรนติน en, จานละสี่ห้าร้อยเนี่ยรสชาตยยิาเดียวกันเลยแต่กินเนี่ยเป็นทุกข์ละเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้นะจ่ายไปสี่ห้าร้อยนี่มันต้องอร่อยกว่านี้ไอความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยกว่านี้เนี่ย มันก็ทำให้ทุกข์นะเมื่อเจอรสชาติที่มันไม่ตรงกับที่คาดหวังให้ความคาดหวังนี่ก็เป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งและมันจะเป็นการคาดหวังที่มีตัวกูเจอเจอไปด้วยเสมอเมื่ออร่อยนะมีตัวกูผู้อร่อยเกิดขึ้นก็สุขนะแต่ถ้าไม่อร่อยนะก็รู้สึกว่า สำคัญมากว่าตัวกูนะเศษของแม่อร่อยก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรางงโง่เมื่อเมื่อผัสสะหรืองโง่เมื่อมีผัสสะดนะังนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือว่าต้องมีสตินะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่งโง่ อันนี้สำคัญมากนะเดย์เพราะาเวลาเราทุกข์เพราะมีความปรุงแต่งตัวกูเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นตัวที่จะสลายตัวกูได้เมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาอันนี้เป็นหัวใจนะของการปฏิบัติเลยในสาวุตธการเนี่ยมีนักบวชท่านหนึ่งนะชื่อพาฮิยะนะพาฮิยะ ชื่อยาพาหิยธ า, ารุติเดียะเนี่ยก็เคยคิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์ตอนหลังมามามีคนทวงมีเพื่อนเป็นเทวดามาทวงว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ที่แท้จริงนี่อยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีตากแกก็สว่างขึ้นมาเลยแล้วก็มีความ ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ไปพบและฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็รีบเดินทางนะไปหาพระพุทธเจ้าระยะทางมันไกลามากนะก็เดินนะเดินทั้งวันทั้งคืนเลยนะตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยกิโลนะี่ไปถึงสวัสถีก็ตอนช้าพระเจ้า ก, ก็กำลังบินทบาทาหิยะก็ เข้าไปเฝ้าพุทเจ้าคอยพระองค์แสดงธรรมตอนนั้นนี่ไฟแรงมากอยากจะฟังธรรมมากๆเลยพระองค์เนี่ยคงทรงเห็นนะว่าสภาวะจิตของพัยยา ย, ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอาจจะเป็นพ่อเหนื่อยด้วยนะก็เลยปฏิเสธบอกว่ายังไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ด้วยนะเพราะมันเป็นถนนภั ย, ยก็ยืนการานจะฟังใคอยพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ปฏิเสธ พ ร, ระองค์ปฏิเสธถึงสามครั้งนะแต่พยายะก็ยังอยากจะฟังทำแต่ครั้นหลังจากที่พ ร, ระองค์ปฏิเสธไปสามครั้งจิตใจของพยายะก็เริ่มอ่อนลงนะคงได้พักเหนื่อยด้วยพระองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆนะว่าเมื่อเห็นสักตะว่าเห็นนะเมื่อได้ยินสักตะว่าได้ยินนะเมื่อได้กลิ่นก็สักตะว่าได้กลิ่นเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักต่ว่ารับรู้อารมณ์ เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์แสดงธรรมสั้นๆเนี่ยพลายฟังก็พิจารณาตามบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะคือผู้เป็นเลิศด้านการฟังธรรมแบบฉับพลันคือเร็วมากเลยแต่ว่า ไม่ทันจะได้ไปบวชนะพอออกจากที่นั่นไปว่าจะไปหาเครื่องบวชก็โดนวัวขีดตายนะก็เลยไม่ทันได้บวชแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็ที่พระองค์ได้สอนท่านภาหิยะนี่นะเมื่อเห็นสักตะวันเห็นเมื่อได้ยินสักตะวันได้ยินเนี่ยเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักตะรู้อารมณ์เนี่ยอันนี้คือสตินั่นเองเมื่อมีสตินะมันก็ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีตัวเธอทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและหลวงโลกทั้งสองไอ้ตัวเธอคืออัตตาที่ถูกปรุงขึ้นมาเมื่อไม่มีสติโดยเพราะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นที่จริงเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยถ้ามันสักแต่ว่าเห็นก็ไม่เป็นอะไรส่วนใหญ่ก็ปรุงเป็นฉันเห็นฉันได้ยินนะมันจะมีฉันเนี่ยเป็นผู้กระทําผู้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้กลิน่นรวมทั้งผู้เจ็บผู้ปวด ผู้โกรธผู้คิดตลอดเวล า, าเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นมาเห่าเนี่ยนะถ้าศัพต์ ว, ว่าได้ยินก็ไม่เป็นอะไรแนตะ่แต่พอตัวมันปรุงตัวกูขึ้นมาว่ากูได้ยินเสียงมาเห่ามันตังเหลือเกินเป็นผู้สวยอารมณ์นะเป็นผู้สวยอารมณ์หรือแม้กระทั่งความอยากนะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ พรตอนนั้นเนี่ยอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากให้มันเป็นตัวกูของกูพอไม่ได้พอมีคนขัดขวางหรือพอยังไม่มีโอกาสนี่ทุกเลยเพราะการปรุงว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของกูเป็นตัวกูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลา เวลามีผัสสะเนี่ยต้องฉลาดต้องทันแม้ว่าผัสสะนั้นจะก่อให้เกิดเวทนาแต่มันยังไม่ใช่ปัญหาเช่นมีแดดมากระทบตัวนะเกิดความร้อนเกิดความทุกข์กายขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นความร้อนนะเห็นความร้อนที่กายเนี่ยไม่ปรุงแต่ง ตัวกูเป็นผู้ร้อนนะมันก็ไม่ทุกนะก็แค่รู้ว่ากายร้อนนะแต่ว่าใจไม่ร้อนใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าไม่ปรุงตัวกูขึ้นมานะเป็นผู้ร้อนหรือถ้าจะปรุงก็ปรุงเป็นทางเป็นบวกก็ยังดีนะถ้าจะปรุงเนี่ยอย่าปรุงในทางลบปรุงเป็นบวกนะหรือปรุงจิต ปรุงแต่งในทางบวกยังมีเรื่องเล่าว่าอันนี้จะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะโยมคนหนึ่งก็ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอวันนั้นมั น, มนเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายอากาศร้อนมากเขาก็เลยนั่งอยู่ในห้องเปิดแอร์เต็มที่แต่ก็ยังร้อนนะยังอ้าวอยู่ก็มีความหงุดหงิด แล้วก็งุนงิดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงไปรษณีย์มาเรียกหน้าประตูเขาไม่ออกไปรับนะเพราะถ้าออกไปรับนี่ต้องไปเจอแดดเจออากาศอ้าวก็เลยอยู่เฉยๆไม่ออกไปแต่ไปรษณีย์เนี่ยรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเห็นรถจอดอยู่เห็นประตูบ้านในข้างในเปิดอยู่ก็เลยรอแต่ไม่ได้อรอเปลาๆร้องเพลงด้วยร้องเพลงอยู่นานเลยสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกไปรับ จดหมายรับเสร็จก็ถามบุรุษไปรษณีย์นะซึ่งเงือโซมเลยนะถามว่าอากาศร้อนแบบนี้คุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่เหรอแก ต, ตอบดีก็บอกว่าโลกร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับนะผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นครับแดดร้อนทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรบุรุษไปรษณีย์ไม่ได้แดดร้อนแต่ว่าเขายัางอารมณ์ดี ่เขารู้จักปรุงแต่งจิตในทางบวกนะปรุงแต่งยังไงก็ร้องเพลงนะถ้าใจเย็นแล้วเนี่ยแม้แดดร้อนนะแต่ก็ไม่ทุกข์นะแดดนี่มากระทบตัวนะมันก็เกิดผัสสะขึ้นมาเกิดความร้อนเกิดเวทนาแต่มันยังเป็นแค่เวทนาทางกายเพราะมันไม่ลามไปเป็นเวทนาทางใจ เพราะว่าปรุงแต่งจิตให้เย็นง่ายร้อนแต่ใจเย็นนี่ทําได้ถ้าเราฉลาดนะในการปรุงแต่งจิตคือถ้าดีกว่านั้นก็คือการที่มีสติไม่ปรุงแต่งเลยแต่ถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งให้มันเป็นบวกปรุงแต่งจิตในทางบวกกายร้อนแต่ใจเย็นก็เป็นไปได้หรือว่าปรุงแต่งเพื่อทําให้ ใจเป็นกุศลนะเวลามีคนด่าว่านะพูดจะไม่สุภาพนะนะถ้าเรานึกในใจว่าเออเข้ามาแสดงทำให้เราฟังหรือเข้ามาชี้แนะนะคิดแบบนี้ก็ได้ไประโยชน์ก็พร้อมจะฟังหรือว่าจะมองว่าเออมาฝึกขันติของเราก็ได้ มันมีวิธีปรุงแต่งจิตหลายอย่างที่ทำให้จิตเป็นกุศลนะไม่โกรธไม่โมโหเมื่อได้ยินคำพูดจาที่ไม่สุภาพอย่างหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเคยเล่าให้ฟังนะสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยเคยไปจำปัสสาที่อุบลวันหนึ่งก็บินทบาตนะเข้าไปในเมืองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรอใส่บาทอยู่ กับลูกชายอายุหขวบได้ท่านก็เดินไปรับบาตพอเดินก็ไปใกล้ๆนี่ลูกชายตัวเล็ก ๆ, ๆนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ใช่พระดอกมึงมึงบอแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระมึงถ้าเป็นรานี้จะรู้สึกยังไงนะพูดจาแบบนี้เพราะว่าผู้ท่านก็ฉุนนะไม่พอใจได้ยินเด็กพูดแบบนั้นจต่สักพักนี้ท่านก็เห็นความไม่พอใจของตน แล้วท่านก็พูดขึ้นมาในใจว่าเออจริงของมันวะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยความโกรธดับบูบเลยแล้วท่านก็ไปรับบาดจากผู้หญิงคนนั้นตามปกติภายหลังนี่เวลาท่านพูดถึงเด็กคนนั้นท่านก็บอกเด็กคนนั้นคืออาจารย์ท่านที่ทําให้ท่านได้เห็นว่าเออท่านต้องฝึกอีกเยอะนะเรายังต้องฝึกเยอะเพราะเรายังมีความโกรธอยู่ เรียกด็กคนนี้ว่าอาจารย์อั่นทําไมท่านไม่โกรธนะเพราะท่านมีสติเห็นความโกรธแล้วก็ปรุงแต่งคือเกิดความคิดขึ้นมาเออใช่เราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธสา ม, มัญสัญญาเกิดขึ้นเราเลือกถึงสา ม, มณสัญญาแต่ถ้าปรุงแต่งไม่ถูกนี่ก็ทุกนะเช่นปรุงแต่งไว้เราเป็นพระทําไมพูดกับเราอย่างนั้น นะหรือว่ากูเป็นพระทําไมมึงพูดกูอย่างนี้แล้วแม่ของของเด็กทําไมไม่สอนเด็กนะบางทีไม่ใช่โกรธเด็กเด็กโกรธแม่เด็กด้วยว่าไม่สอนเด็กปรุงแต่งเพเกิดความสําคัญเป็นหมายว่าฉันเป็นพระกูเป็นพระมาพวด ก, กูอย่างนี้ได้ยังไงนี่ทุกใหญ่เลยนะยิ่งโกรธใหญ่แต่ถ้าปรุงอย่างหรือคิดอย่างท่านหลวงพ่อพูดเนี่ยช่วยทําให้วางความโกรธได้นะ นัน่เรื่องของภัสสะนี่เราต้องฉลาดนะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้นะเมื่อเข้าใจเรื่องภัสสะเข้าใจนี้ไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยหัวนะแต่เข้าใจจากการปฏิบัติตนเห็นว่าภัสสะไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งที่ใจก็เลยทุกที่ใจเนี่ยและการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพราะความโง่นะ ของเราเองถึงปล่อยให้มันมีการปรุงแต่งและทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่เพราะรูปไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกนะแต่เพราะความโง่หรือความไม่มีสติหรือเพราะความหลงในใจเรานั่นเองอ่ะชานี้ก็เพิก่กระทนนี้เอากลับครับ